พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่37จูุลตันหาสังคยสูตรสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งตันหาสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนปราสาทของนางวิสาขาในบุพารามใกล้กรุงสาวัตถีเท้าสักกะมาเฝ้ากราบทูลถามว่ากล่าวโดยย่อด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ ภิกษุชื่อว่าพ้นเพราะสิ้นตัณหามีความสำเร็จหลอดโปรงจากธรรมะที่ผูกมัดเป็นพระมจารีมีที่สุดล่วงส่วนคือแน่นอนเด็ดขาดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรัสตอบว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดถือเธอจึงรู้ยิ่งกาหนดรู้ธรรมะทั้งปวง เธอเสวยเวทนาใดๆไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นด้วยความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นด้วยการปล่อยวางในเวทนาเหล่านั้นไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งดิ้นรนเมื่อไม่สะดุ้งดิ้นรนก็ดับเย็น หรือปรินิพานเฉพาะตนรู้ว่าสิ้นชาติอยู่จบรมจ a j a ์ทำหน้าที่เสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่าพ้นเพราะสิ้นตัณหาประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเท้าสักกะก็ชื่นชมพาสิทธิ์และกราบทูลลากลับ พระมหาโมคลานะไปปรากฏกายในชั้นดาวดึงท้าวสักกะก็ต้อนรับเป็นอันดีเมื่อท่านถามถึงคำเฉลยปัญหาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ย่อๆเกี่ยวกับความหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาท้าวสักกะกลับพูดเลี่ยงไปเรื่องอื่นและชวนพระมหาโมคลานะไปชมปราสาทชื่อเวชยันซึ่งสร้างขึ้นภายหลังชนะสงครามระหว่างเทวดากับอสูร อย่างวิจิตพิสดารพระมหาโมคลานะเห็นเท้าสักกะเป็นผู้ประมาทก็แสดงฤทธิ์เอาหัวแม่เท้าเขียาา่ยประสาทเวชยัน์ให้วันไหวซึ่งทำให้เท้าสักกะเท้าเวสว ร, รัน์และเทพชั้นดาวดึงพากันอัศจรรย์นในฤทธิ์อนุภาพของพระเทระเป็นอันมากเรื่องนี้ถ้าถอดเป็นธรรมะจะเห็นได้ว่ามีกติเตือนใจว่า มีประสาทที่เลอเลิอขนาดนั้นก็อย่ามัวเมาประมาทเป็นเครื่องเหนี่ยรรั้งไม่ให้คนปุ้งเฟอ้เอเห่อเหิมดีมากเมื่อพระเถระเห็นเช่นนั้นจึงถามย้ำอีกถึงพระดำรัสเฉลยปัญหาเรื่องความหลุดพ้นเพราะสิ้นตัญหาของพระผู้มีพระภาคคราวนี้เท้าสกกะเล่าถวายเป็นอันดีพระเถระจึงลากลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลถามเรื่องการที่ทรงตอบปัญหานั้นซึ่งก็ตรัสเล่าความให้ฟังตรงกัน